แนะนำบทอัลอะลักบทอัลอะลักเป็นบทมักกียะห์มี 19 องค์การกล่าวถึงเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้การลงองค์การให้แก่นบีคนสุดท้ายคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการละเมิดขอบเขตของมนุษย์และการไม่เชื่อฟังพระบัญชาของอัลเลาะห์เรื่องของมนุษย์ชั่วช้าอบูญะฮันที่ขัดขวางท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มีให้ทําการละหมาดบทนี้ได้เริ่มด้วยการบรรยายถึงความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่มีต่อรอซูลของพระองค์ด้วยการประทานอัลกุรอานปฏิหารอันจิรังและการกล่าวถึงความโปรดปรานครั้งแรกขณะที่ท่านนบีกําลังเคารพภักดีต่อพระเจ้าของเขาณถ้ําฮิรอโดยที่องค์การถูกประทานลงมาด้วยบทนี้ได้กล่าวถึงการละเมิดของขอบเขตของมนุษย์ในการดํารงชีวิตนี้ด้วยพลัง และความมั่งคั่งและการขัดขืนคําสั่งต่อข้อใช้ข้อห้ามของอัลเลาะห์อันเนื่องมาจากความมั่งมีของเขาความจริงแล้วจําเป็นที่พวกเขาจะต้องขอบคุณพระเจ้าของเขาต่อความโปรดปรานที่เขาได้รับมิใช่ด้วยความเมตตากรุณาและได้เตือนเขาให้กลับหาพระเจ้าของเขาเพื่อหวังการตอบแทนบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องของอบูยะฮันซึ่งถือเป็นฟิรอาวของประชาชาตินี้ เขาได้ขู่เข็ญและคุกคามท่านรอซูลและห้ามปราบไม่ให้ท่านทําละหมาดเพื่อแสดงความมีชัยแด่รูปปั้นและจเวตทั้งหลายบทนี้ได้จบลงด้วยสัญญาร้ายแก่คนชั่วที่ปฏิเสธศรัทธาด้วยการลงโทษอย่างหนักหากเขายังคงอยู่ในการหลงผิดและการละเมิดขอบเขตและได้ชายท่านรอซูลไม่ฟังคําขู่ของอัยการผู้กระทําความผิดคนนั้นบทนี้ได้เริ่มด้วยเรียกร้อง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 มูฮัมหมัดจงอ่านด้วยพระนามแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงบังเกิดพระองค์ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือดอิกระออะร็อบบุกัลอักรอมุลลซีอัลลัมบิลกะลัมอัลลัมอัลอินซานะมาลัมยะอ์ลัมมูฮัมหมัดจงอ่านเถิดและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงใจบุญยิ่งผู้ทรงสอนการใช้ปากกาผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ كلا ان الانسان ليطغى ميใช่เช่นนั้นแท้จริงมนุษย์นั้นย่อมจะละเมิดขอบเขต อัลลอฮุอัสตัฆนาเนื่องเพราะเขาคิดว่าเขาพอเพียงแล้วอินนาอิลายะรบบิกัรุญานแท้จริงยังพระผู้พิพากษาของเจ้าเท่านั้นคือการกลับไป ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى เจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือผู้ที่ขัดขวางบ่าวคนหนึ่งเมื่อเขากำลังละหมาด ارايت اذكر على الهدى او امر بالتقوى เจ้าคิดบ้างไหมว่าหากบ่าวผู้นั้นอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องหรือชายบุคคลมีความยำเกรง ارايت اذكر كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى เจ้าคิดบ้างไหมว่าหากเขาปฏิเสธและผินหลังให้เขาไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงเห็น كلا لا ان لم ينته للاسف عن الناسيه ไม่ใช่เช่นนั้นถ้าเขายังไม่หยุดยังเราจะติเขาที่คมอม อย่างแน่นอนนลซีอะตินคาซิบะฮ์คาติอะห์คําหม่อมที่โกหกที่ประพฤติชั่วตัลยัดอุนาดีฮูซะนาดอัลซะบานียะห์และเขาเรียกที่ประชุมของเขาเราก็จะเรียกผู้คุมนรกกันลาลาตูอะฮูวัสจุดวะกุนตาริบมิใช่เช่นนั้นเจ้าจะได้เชื่อฟังมันแต่จงสุญูดกราบและเข้าใกล้อัลเลาะห์เถอะ